แนะนำบทอัลบัยนะห์บทอัลบัยนะห์เป็นบทมะดะเนียะห์มี 8 องค์การกล่าวถึงเรื่องต่างๆดังนี้ฐานะที่ของชาวคัมภีร์ที่มีต่อศาลของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องความบริสุทธิ์ใจในการภักดีบั้นปลายของคนดีและคนชั่วในปรโลกบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงพวกยะฮูดและพวกนัสรอ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 คือความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงสูงทรงผู้ยิ่งใหญ่โดยดํารึกถึงพระองค์และมุ่งหน้าเข้าหาพระองค์ทั้งคําพูดและการกระทําและการปฏิบัตินอกจากนี้บทยังได้กล่าวถึงชะตากรรมของผู้กระทําความผิดคือคนชั่วที่ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นชาวคัมภีร์และพวกมุชริกีนในนรกโดยพวกเขาจะอยู่ในนั้นตลอดกาลและบั้นปลายของบรรดาผู้ศรัทธาและการพำนักอยู่ในสวนสวรรค์อันบริสุทธิ์ พร้อมกับบรรดานบีบรรดาผู้ยึดมั่นในความศรัทธาและบรรดาคนดีๆทั้งนี้เป็นการตอบแทนในความจงรักภักดีและความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาแด่พระเจ้าแห่ง 3 กุละโลกบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه بندาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีร์และพวกบูชาเจว็ดนั้นจะไม่พ้นจากหลักเชื่อถือของพวกเขาจนกว่าจะได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขา رسول من الله يتلو صحف مطهره คือศาสนทูตท่านหนึ่งจากอัลเลาะห์เพื่ออ่านคัมภีร์อันบริสุทธิ์ให้พวกเขาฟังในคัมภีร์นั้นมีบัญญัติอันทรงคุณค่าว่ามาตะฟัรอัลลอฮิละซีนอูตุลกิตาบอิลลามินบะอดีมาจาอ์อะตุฮุมอัลบัยนะและบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์อะห์ลุลกิตาบนั้นไม่ได้แตกแยกกัน เมื่อแต่หลังจากที่ได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งมายังพวกเขาแล้ว وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ละบะกะอ์ไม่ได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใด นอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและปฏิบัติละหมาดและจ่ายซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรมอินนัลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนฟีนาริญะฮันนัมมะคาลิดีนฟีฮาอูลาอิกะฮุมชัรุลบะรียะฮ์ แท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาในหมู่ชาวคัมภีและพวกบูชาจเวตนั้นจะอยู่ในนรกยะฮันนัมโดยจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ชั่วชาญยิ่งอินนัลละซีนามานูวะมีซซอลิฮาติอูลาอิกะฮุมคอยรุลบะรียะห์แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้นเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง จزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه การตอบแทนของพวกเขา หน้าที่พระผู้พิบาลของพวกเค้าคือสวนสวรรค์หลากหลายอันสถาพรณเบื้องล่างของมันมีแม่น้ำหลายสายหลายผานโดยพวกเค้าจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลอัลเลาะห์ทรงปรีติต่อพวกเค้าและพวกเค้าก็ยินดีต่อพระองค์นั่นสำหรับผู้ที่เกรงกลัวต่อพระผู้อภิบาลของเค้า